เอาเงื่อนไขที่คิดว่ามันทําได้อันทําไม่ได้เราก็ไม่อืไปทุกข์กับมันน่ะโอ้อันนี้มันทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ไม่ไปทุกข์กับมันอะไรที่ทําได้เราก็แก้ไขอันเฉพาะที่ทําได้อันอื่นก็ง่ายๆอทีเนี้ยอืความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นปัญหาชีวิตเนี่ยทันทีเลยนะเราลองไล่ดูดิเพราตื่นมาปุ๊บถ้ามันว่างมันไม่เป็นอะไรนะนะ พอเธอคิดว่าอันนี้ไม่ดีเนี่ ย, ท, ท, ยนนทันทีเลยอันนั้นดีทันทีเลยถ้าจิตไปทางดีกับไม่ดีเนี่ยชอบกับไม่ชอบมันจะมีทันทีมีทุกทันทีถ้าเราปล่อยปรากฏการณ์คือปรากฏการณ์เนี่ยมันเปเรื่องธรรมชาติแต่พอเราสูงมันเหมือนเราสูญเสียอะไรสักอย่างจริงจริงๆสูญเสียอย่าให้เสียสูนย์อย่างเขาว่านะ่ะ ไม่ได้สูญเสียอะไะคำว่าสูญเสียก็คือกลับไปสู่ภาวะปกตินั่นแหละแต่เรารู้สึกว่เาเสียอันนั้นเสียนี้ไปพราะเสียไปรู้สึกมันเหมือนเราเราได้อะไรอ่ะเป็นของเราอะไรประมาณเนี่ยแต่ถ้าเราทําใจแบบเออไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรได้อเราก็อยู่เท่าเดิมนะเท่าที่เราตั้งใจเมื่อกี้นะ่ะ มันก็จะทําได้เรื่อยๆใจเนี่ยหาใจสมว่าเราเห็นอะไรสักอย่างเออเราชอบปะเนี่ยพอชอบเนี่ยสักพักมันจะมีการยึดถือนะยึดถือได้ซึ่งหน่อยมันจะมีการหึงหวงทันทีเลยแล้วตัวหมูบูชาก็ามาถวายรู้สึกสวยดีแล้วอะไรประมาณนั้นสักพักมีคนขโมยทุกทันทีเลยมันอยู่ใกล้ๆเองอ่ะตัวทุกเนี่ยมันจับนิดเดียวเอง ให้เราจับเหมือนได้เนี่ยมีเงื่อนเราจับตรงเงื่อนจับดึงปุ๊บอา้าวติดทนันทีอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมีมีเงื่อนของความชอบความไม่ชอบพ่วงเข้ามามันก็จะติดทันทีอะมันถูดมาดักลึงเข้าทันดีนะเพราะต้องบอกไงว่าอืมมองแบบอย่ใส่ความชอบอย่าใส่ความไม่ชอบเข้าไปถ้าใส่ความชอบเข้าไปก็ทันทีเลย ใส่ความไม่ชอบเข้าไปกับทันทีเลยคือมันพ้นจากความเป็นศูนย์ไปเขาบอกธรรมะแท้ๆนไม่มีไปไม่มีมาไม่มีขึ้นไม่มีลงออันมันขึ้นลงก็คือเหมือนเราให้ค่ามันนั่นแหละอให้ค่ามันไม่ดีมันก็จะต่ําลงให้ค่ามันดีมันสูงขึ้นจิตที่เป็นเนี้ยถ้าอยู่ตรงกลางศูนย์ศูนย์มันก็เป็นธรรมชาติมันน่ะ เป็นกลางๆคือความพอดีเหมือนเรากินข้าวกินมากก็อ้วนกินน้อยก็หิวอย่างเนี้ยเออมันเป็นยังไงมจริงๆจะพอดีทั้งเดิมของมันนะ่ะไอ้ความพอดีคือธรรมชาติมันหาความพอดีแต่ความพอดีไม่ได้หมายว่าทําหรือไม่ทํานะอีกแง้วที่เนี้ยเอาแสดงว่าก็ไม่ต้องคิดดีเนี่ยก็ไม่ใช่อีกละเอาต้องคิดทีก็ไม่ใช่อีกแล้วมันไม่ใช่ทั้งคิดหรือไม่คิดเนี่ยออื ค น, นว่าเอถ้าไม่คิดมันจะรู้เหรอมึงนี้นะ่ะต้องไม่คิดเอ้ต้องคิดนะคิดถึงจะรู้เองบางทีก็ไม่รู้นะไอความคิดเนี่ยพาปรุงไปด้วยซ้ำไปเองบางทีความไม่คิดก็บางทีก็ไม่ได้รู้นะมึงดีเนี่ยฉะั้นอันนี้เราจะคิดก็รู้ไม่คิดก็ให้รู้อันเนี่ยรู้ตามความมันเป็นจริงอืม เทาที่มันเป็นนะ่ะถ้าเราทําใจได้แบบเนี้ยเออมันก็จะสบายอา่าแต่ถ้ามองเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมาทันทีเลยความทุกเนี่ยวิ่งเข้าหาเราทันทีวัตถุสิ่งหนึ่งเรามองเนี่ยมันมีชอบกับไม่ชอบเฉยเฉยไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นปรากฏการเป็นคนเนี่ยเป็นสัตว์บุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเนี่ยยิ่งยากอะเนี่ยที่จะไม่มองแบบ ไม่มีตัวตนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตัวตวนออกไปจากจิตเราเนี่ยเราสังเกตดูนะเมื่อไรกระามที่เรามองคนคนหนึ่ง <c oughs> แบบคือ <c oughs> มันถูกชะตานะชอบอย่างเนี้ยพอใจในการกระทำในคำพูดในพฤติกรรมทั้งหลายสรุปเวลาทําผิดทาถูกก็เหมือนจิตมันว่าง ให้การยอมรับเหมือนพ่อแม่ยอมรับลูกเนี่ยลูกผิดยังไงก็ตามเนี่ยลูกกูนะแต่ถ้าคนอื่นทําเหมือนลูกเราเนี่ย mm. เหยียบหัวเราขี่ยดรถลงมาเยี่ยวมาเนี่ยไม่เอาแล้วเนี่ยถ mm. ือว่าดูถูกดูหมิ่นเยียดหยามเนี่ยนะคือ mm. มันอยู่ที่การมองถ้าเรามองเห็นเออเฉยเฉยนะเหมือนพ่อแม่มองลูกเนี่ย mm. ทุกอย่างก็กลายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไปนะ มือนที่เราบอกสปีสตาเพื่อนรมโลกเดียวกันเนี่ยมันไม่เป็นอย่างเดียวกันนะมันไม่เป็นอย่างเดียวกันมันกลายเป็นพูดเนี่ยแต่มันไม่ช่วยดึงเป็นสื่อดึงลงไปให้มันเป็นอย่างนั้นดีเนี่ยนันจึงอาศัยการนะทำบ่อยๆเคี้ยวข้าวเนี่ยไม่ใช่เคี้ยวครั้งเดียวแล้วเสร็จนะมันก็กินได้คืนลงไปแต่มันลําบากมากมันผระอิดประโอมมันเต็มข้างใน แต่เราต้อาเคี้ยวละเอียดปุด๊บแ้วค่อยกลืนก็นง่ายเหมือนกันนะอาภาษานะสิบปากซอบอทอตาเห็นสิบตาเห็นบอทอมือค่ำสิบมือค่ําบอทอได้หย่ำเบิงสิบมือค่าไม่ชู้ทำไม่สู้ทำในใจคาว่าทําในใจว่าโยนิโสนะเนี่ยสิบมือค่าไม่เท่ากับทําใจการทําใจทําโยนิโสเนี่ยดูดิ จริงๆก็อยู่ประมาณนั้นแหละเนี่มประมาณนั้นแหละไม่เอาไม่เอาอะไรมาคล้องคอคล้องใจให้มันหนักแล้วมันก็หนักไปหนักไปเป็นธรรมดาความม่วงมาคล้องก็หนักความม่วงความขี้เกียจมาคล้องก็หนักความขี้เกียจความเบื่อความไดคือมันหนักไปหมดในชีวิตเนี่ยอืมนั้น อย่าไปยึดเอาอะไรทั้งนั้นนะบางีอันนั้นถูกอันนี้ผิดนี่มองมาข้างในนี่นะไม่ได้มองว่าไปยึดเอาข้างนอกนะแต่ความรู้สึกถูกตัดมันออกไปความรู้สึกผิดปรากฏขึ้นมันกําลังสร้างสร้างให้วิ่งตามมันข้างนอกนี่เป็นแต่อุปกรณ์ช่วยกระตุ้นให้มันเกิดอารมณ์ข้างในเฉยๆแต่มันจะเกิดเนี่ยจะดับไม่ได้ไหมายว่ามันจะมาดับ การเกิดกันอะไรข้างนอกเนี่นะแต่ดับข้างในโน้นะสิ่งรังไยทั้งปวงข้างนอกเป็นตัวย่วให้มันก่อข้างในถ้าเราเห็นมันเป็นควัน ข, า, ขาวๆหรือเป็นอาการอะไรสักเล็กน้อยที่มันแวบเข้ามาเนี่ยออันนั้นมันกําจัดง่ายมันเหมือนกับอาสวะธรรมเป็นไปบนะนะั้นนะคือมันเหมือน กินอายของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาเนน้อยเนี่ยแต่เรารู้สึกว่ามันทุกข์มาก น, น้อยแต่มันทุกข์มากนะไม่ใช่ว่าไม่ทุกเลนน้อยแต่ว่าเออรู้สึกว่าทุกข์มากนะไอตัวรู้ตอนนั้นแหละที่มันจะทํางานเจาะขันห้าหาพุทธะอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยตอนภาวะแบบนั้นตัวทันทีมันก็มันเป็นทุกข์มากแต่ว่ามันเป็นอาการไม่ได้เหมือนความโกรธความอะไรที่เป็นจริงเป็นจังเหมือนสมัยที่เรายังไม่รู้เมื่อก่อน หรือรู้ทำมาแต่ครั้งก่อนเนี่ยมันจะไม่ละเอียดพันานี้ดันั้นเราจึงมองสังเกตไปที่นั่นน่ะที่ใจเราไปมองไปที่หน้าตาเดิมๆของเรานั่นแหละหน้าตาดเดิมก็คือเป็นไงขณะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้มีอะไรแต่พอมันเปลี่ยนแปลงจิตมันก็เปลี่ยนไปลองใส่ใจดูนะหน้ตาเห็นไปปัดกวาดไปนันนั่ก็ใจเหนื่อยจะเมื่อยล้าเราไปทําความเพียรกัน เดินเล่นจงกลมประคองไปก่อนนอนนะอ้านี่มล